นี้ไปก็ก็กันตั้งใจแล้วนานๆถึงจะได้มาพบกันครั้งหนึ่งก็โดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นดีพึ่งของตนโกหิณาโธปรโรสิยา บุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้อัตนาหิสุดันเตนะนาถังรัะพติดุลพังผู้ใดฝึกฝนอบรมตนให้ดีแล้วยอมได้ที่พึ่งถึงหาได้โดยยากดังนี้ก็พระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสภาษิตนี้ไว้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 เมื่อจำได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามไปเมื่อธรรมะเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสตัณหามันก็เบาบางไปใจก็ไม่ดินลนเดือดร้อนไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปภายนอกใจก็อยู่ที่ใจเพราะว่าใจนี่้ามันความอยากมัน ไม่รบ ก, กวนแล้วมันก็สงบอยู่แหละอันที่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยก็เพราะมันอยากอยาก่างใดอย่างหนึ่งนั่นเรื่องมันนะมันหวังว่าเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วตนจะมีความสุขแสดงว่ามันคิดหวังเพึ่งตั้งแต่วัตถุสิ่งอื่นนี่ถ้าพูดในทางธรรมปฏิบัติอันลึกซึ้งเข้าไป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 หาเงินหาทองเพึ่งตัวเองอย่างนี้แต่คนไทยเราเรียกว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระเทเจ้าคำสอนพระเทเจ้านั้นทรงสอนให้รู้จักผู้มีอุปการะแก่ตนแล้วคิดตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะแก่ตนนั้น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 จึงได้ปฏิบัติตามนี้ทอยที่ทอยอาศัยซึ่งกันและกันรือบุตรธิดาเมื่อเวลายังเล็ยกยังน้อยอยู่ก็อาศัยมารดาบิดาเลี้ยงดูปูเสือมามารดาบิดาส่งเสียให้ได้ศึกษาเรียนวิชาความรู้ตา่าง เมื่อเจริญไปใหญ่โตมาพิบีวิชาความรู้มีความอุปถตกดีแล้วอย่างนี้ก็พ่อแม่เฒ่าแก่ชรามาแล้วผู้เป็นลูกก็ต้องทำหน้าที่การงานแทนพ่อแทนแม่แต่อตอบบุญแทนคุณท่านขา่าเป้านและน้ำนมที่ท่านได้อุปการะเกือ้อคุณมานี่ในทาง พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ทีแรกนี่พ่อแม่ก็ช่วยเหลือก่นแหละแต่บางคนนะ่ะเห็นว่าพ่อแม่เอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลหลวงลืมตัววะนี่ไม่เกียรเกียกครคล้านทําการงานเกียกร์ครานในการเรียนบางบางตระกูลบางบ้านเนะี่ยพ่อแม่มีเงินมีทองเอาท่งเสียให้ลูกไปเรียน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 ก็พึ่งตัวเองไม่ได้เลยวันนี้นะเพราะไม่มีวิชาความรู้อะไรแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ดีอ่าอย่างเนี้อ่จิตใจก็เหลวไหลไฟแต่ทางตำํำคิดบําเพ็ญจนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงเล่าเป็นนักเลงเล่นการพา น, านันไปคบคนชั่วเป็นมิตรอ่าอย่างนี้ ความบกพฤตออย่างนี้ในทางวุทธศาสตร์สนาเรียกว่าเป็นคนฝไยไปในทางต่ำทางแห่งความเสื่อมของชีวิตเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนขอให้คิดพึ่งตนเองเมื่อพ่อแม่เลี้ยงจเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วก็ตั้งใจศึกษาเราเรียนวิชาความรู้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 ความเป็นอยู่ในโลกก็ต้องอาศัยความหมั่นความขยันอาศัยวิชาความรู้ทินีคนเราจะไปอาศัยแต่ความเป็นอยู่ในโลกนี้โดยส่วนเดียวไม่คิดถึงอนาคตเบื้องหน้าก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็จะต้องมีความตายเป็นที่สุดทีนี้การตายแล้ว หากว่าเมื่อกิเลสยังไม่หมดมันก็ไปทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างเอา้าตายลงกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็ น, นาดวงกิจนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่สเสวยสุขบ้างสเสวยทุกข์บ้างหมุนเวียนไปอยู่อย่างนี้ถ้ามเมื่อผู้ใดยังไม่ทําไม่ได้พิจารณาเห็นโทษของกิเลสต่างๆหมดนี้แล้วก็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 ไม่ใช่ว่าทําอะไรลงไปแล้วนั้นมันจะไม่มีผลตอบสนองเลยอย่างเนี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตอัสไว้ว่าผู้ใดทําดีย่อมได้รับผลดีผู้ใดทําชั่วย่อมได้รับผลชั่วอย่างนี้ในมันหลักนี้แหละหลักสําคัญนะเพราะว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาไม่เห็นไปอีกอย่างนึง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 ซึ่งตรงกันข้ามกับความเห็นของพวกเหล่านั้นเลยพระองค์ทรงตรัสว่าบุญมีจริงบาปมีจริงอย่างนี้นะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพลิภานมีจริงข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งสวรรค์ก็มีให้ถึงซึ่งพลิภานก็มีมกรรมชั่วที่บุคคลทำมันย่อมนำไปสู่อาบายภูมิทั้งซี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 แต่ว่าเป็นคนตะนีไม่ได้ให้ทานอะไรอย่างนี้แล้วเป็นคนชอบอิจฉาลิษยาผู้อื่นบ้างไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรมากมายไม่ได้ฝึกขนอารมณ์จิตของตนให้ดีพอตายลงไปแล้วบาปกรรมมันไม่มากมันไม่ถึงก็จะนัางไปสู่นรก ได้มันก็นำไปให้เกิดเป็นเปรตบาหนินะอันลักษณะของเปรตนี่ท่านกล่าวไว้ในตำราเนะีะเป็นเปรตนี่ไม่ได้กินอาหารอิม่มหนำสำราญอดโซเป็นคนเป็นสัตว์ที่หิวโหวยอยู่อย่างนั้นความเป็นอยู่ก็ไม่ไม่เรียกว่าไม่เป็นไปเพื่อความสุขความสบาย เป็นอยู่แสนยากแสนลําบากอันเปรตในท่านกล่าวไว้ในตา น, นามีถึงสามสิบสองคำพวกนู่นนอืนบางเจ้พวกกินอุจจราระสสาของตัวเองกินน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําเน่าน้าเหม็นของตัวเองอย่างนี้ก็มีบางเจ้พวกกกินลูกของตัวเองอืมมรดสรพัด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 เบียดเบียนอยู่หรอกเบียดเบียนคนอื่นแล้วตัดอื่นไม่รุนแรงเท่าไรอย่างนี้ก็มีนี้นะ ม, มันแล้วตั้งแต่จริตทิศสาของบุคคลมันเป็นอย่างนั้นคนเราไม่เหมือนกันแม้การทำบุญกุศลความดีก็เหมือนกันนะบางคนก็ทำได้แต่น้อยบางคนก็ทำได้พอปะามาณกลางบางคนก็ทำได้มาก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 ท่านกล่าวไว้ว่าอย่าทำตัวเป็นคนหูเบาใจเบาเชื่อง่ายได้ยินคำสเสริญละนินทามาบางคนหูเบาใจเบาพอมีคนมาพูดสอให้ฟังคนนั้นนินทาท่านคนนี้ยกโทษท่านอย่างนี้เม่อท่านได้สืบสวนไม่ทำไม่ท่านได้สืบสาวเราเรื่อง ต, ต่างๆเหล่านั้นอ่ะโกรธแล้วไม่ทันอะไรอืออย่างนี้แหละโกรธแล้วหาทางแก้แค้นแล้วไม่ทราบว่าเรื่องนั้นเป็นจริงแค่ไหนก็ไม่รู้อืถ้าอยู่ใกล้กันก็กระทบกระทั่งกันแล้วอือันนี้นะท่านโบราณท่านว่าคนหูเบาใจเบาอืผู้ผู้ที่เป็นชาวพุทธจริงๆต้องใจคอหนักแน่น เมื่อได้มีเสียงสรรเสริญละดินธาตุมาเราต้องอดทนสักก่อนเรื่องนี้เป็นยังไงหนอเนี่ยฟังไปสืบสวนไปค้นหามูลเหตุมันไปมันเป็นจริงหรือไม่หนออย่างนี้นะแต่บางอย่างก็อาจจะมีคนกลางน่ไปสอดเสียดให้ก็ได้ปั้นเรื่องไปสอดเสียดให้คนทะเลาะกันก็ได้อย่างนี้นะนั่นแหละ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 น, น่นเองคำว่าสมาธิแปลว่าใจตั้งมัน่นเนี่ยก็ฟังเอาเป็นไงอะ่ะบันี้ใจเราตั้งมั่นหรื อ, อยังอะ่ะทุกคนก็ต้องสังเกตตัวเองเนี่ยว่าเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมานะมันวันไหวไหมมันคิดได้รู้ทันไหมหรือว่ามันวู่วามไปเลย พอได้ยินเรื่องไม่พออกพอใจอะไรมาเนยมันฟุ้งไปเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยทุกคนนะต้องรู้ตัวเองนะคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่าอืจิตใจตัวนี้เมื่อเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆกระทั้งมามันยังดิ้นหล่นฟุ้งซ่านไปอย่างนีนะ้แสดงว่าใจยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมพอเอีอย่างนั้น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 ไอ้กิเลสยับยาบมันก็รบกวนจิตใจให้พุ่งสร้างไม่ได้เราจเจริญสมาธิภาวนาเข้าไปมันก็สงบลงได้ง่ายแบบนี้นะเพราะว่ากิเลสท่านยับยาบอันมันให้จิตคิดไปทางอกุศลต่างมันระ ง, งับไปแล้วด้วยอำนาจแห่งขันติความอดทน การทำสมาธิมันจึงเป็นไปได้สะดวกกว่านี้นะเพราะมันยังเหลือตะ ก, กีเลตอันอยางกลางอยางอ่อนๆเมื่อเราเพ่งเข้าไปแล้วมันก็สงบลงไปเองมันมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจไอ้อุบายวิธีฝึ ก, กจิตนี่นะบางคนเมื่อทำจิตลงไปแล้วมันไม่สงบแล้วก็ท้อใจ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 ผ้าเขียนเพ่งวินิจอย่างไรมันก็ยังรวมลงไม่ได้อย่างนี้จิตนะเอากรเพ่งกันเลยบบนี้ทางเพ่งก็เพ่งทางอดกั้นก็อดที่นี่ เ, เราจะอดบบนี้เนะี่ยเราจะไม่คิดอธิษฐานใจลงอย่างนี้แล้วก็อดกั้นความคิดและบบนี้อดไปอดมาเข้าความอดมันมีกำลังแก่กล้าเข้าไปแล้ว มันอกบเขากิเลสที่ใจยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นน่ะอืมให้เล่าร้อนนะเมื่อกิเลสเล่าร้อนแล้วมันอยู่ไม่ได้มันก็ถอนออกไปนั่นไง น, นั่นแหละผู้ที่มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่นั่นน่ะเมื่ออํานาจของขันติธรรมอานาจแห่งความเพ่งน่ะมันผักดานกิเลสให้ ถอนออกไปจากดวงจิตนี่แล้วกิเลสมันจะแสดงบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านเรียวกว่ามันเกิดเป็นอิมิตขึ้นมา น, นั่นนี่เกิดเป็นอุปาทานอิมิตปรากฏเห็นรูปคนรูปสัตว์หรือเห็นสีต่างๆแสงต่างๆบางทีก็ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวอะไรหมดนี่น ะ, ะเมื่อ เมื่อปรากฏเช่นนั้นมันก็ทำให้จิตใจนั้นสักจะรวนเละไปแล้วไม่ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อเห็นดิมิตต่างๆมันแสดงออกถ้าเป็นนิมิตที่น่ากลัวมันก็กลัวไปถ้าเป็นดิมิตที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจมันก็เพลิดเพลินไปตามนิมิตอันนั้น อ, อย่างนี้ บุคคลใดเพื่อท้าวาว่าเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างนั้นไม่รู้เท่านิมิตนั้นจิตใจก็พุ้งไปใหญ่สงบลงไม่ได้อีกเหมือนกันนันั้นถ้าผู้ใดภาวนาไปแล้วเพ่งจิตลงไปแล้วมันเกิดนิมิตขึ้นมาต้องรู้เท่าอย่าอย่าหลงไหลไปตามนิมิตนั้นต้องทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบัน ว่านิมิตนี้มันเกิดไปจากไหนอย่างนี้นะเมื่อทวนกระแสจิตเข้ามาเอาเกิดไปจากจิตนี่แหละจิตนี่แหละรู้จิตนี่แหละเห็นอย่างงี้ไม่ใช่มันมาแต่ภายนอกมันออกไปจากจิตนี้จิตนี่แหละเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พึงพา ก, กันเข้าใจเรื่องนิมิต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 เป็นอย่างนั้นแต่นั้นต้องให้พากันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วนิมิต ท, ทั้งหลายดับลงไปแล้วจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งวันนี้จิตรวมลงเป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตสงบลงไปอย่างละเอียดเมื่อนิมิต ท, ทั้งหลายดับลงสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาะคตก็ดับลงไปอ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 อยู่ในอารมณ์ที่หยาบหยับมันก็ไม่เรียกว่าไม่อยู่ได้ดานนะนอนหนึ่งก็พลิกไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเพิกจิตนีละให้มันเข้าถึงความสงบให้ได้พราอตั้งแต่ไหนแต่ไรต่ท่องเทียบมาในสงสาร ส่วนมากเราไม่ไม่ได้ฝึกใจให้สงบระงับเหตุดังนั้นเกิดมาในโลกนี้นะจึงว่าทุกคนในสังเกตัตวตัวเองไงเกิดมาเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วอากิตใจถูกตัญหามันจูงไปอยากได้อะไร